ระพินยักไหลนิดหนึง่งเขาสำเนียกได้และบอกตอนเองว่าไม่สนใจพร้อมกันก็พูดต่อมาในน้ำเสียงและการดื่มว่าก็ทางนั้นคุณลองช่วยพิจารณาดูลักษณะหินของภูเขาทั้งสองด้านอันเป็นหน้าผาบีบขนานเส้นทางเดินที่เรากำลังจะเดินผ่านไปนี่สิว่ามันเป็นหินลักษณะไหนอายุของมันหรืออะไรอื่น เทาที่คุณจะให้รายละเอียดได้อย่าเอาหลักวิชาหรือภาษาทางเทคนิคมาพูดนะเอาว่าอธิบายมาง่ายๆแล้วกันคราวนี้คริสติน่าหันมาจ้องหน้าเขาด้วยสายตาตรงก็มีหินแท้แล้วก็หินเทียมหรือหินปูนะต่าปนกันอยู่เต็มไปหมดสองฝั่งหน้าผาที่บีบขนานกันอยู่นี่หินแท้ก็คือลักษณะก้อนที่เห็นตั้งเรียงรายอยู่ ส่วนหินเทียมก็มีลักษณะเป็นแผ่นซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นผู้แซมเหมือนใครเอากระเบื้องไปสอดเรียงไว้หินชนิดหลังนีเป็นหินที่เปราะร่วนแต่หักง่ายเกิดจากคาร์บอนและแร่บางชนิดตลอดจนซากโบราณอัดตัวกันเข้ามาโดยการใช้การเวลาเป็นเครื่องประสานเชื่อมแต่ยังไม่นานพอที่จะแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันได้ นี่เป็นคำอธิบายที่พอจะฟังได้ง่ายที่สุดสำหรับคนธรรมดาทั่วไปอะคราวนี้แหละให้ฉันถามอะไรคุณมั่งนึกอะไรขึ้นมาไม่ทราบคุณถึงได้มาถามอะไรโง่โง่ไร้สาระเอาเวลานี้ระพินหัวรอกกล่อยกร่อยคลิตเล่นเขาด้วยวาจาแรงพอสมควรทีเดียวแรงจนเขาเจรินในขณะที่ทุกคนก็มองจับมาที่เขาคำแหงก็เลยเสียหันไปทางเบ บอกยิ้มยิ้มว่าเบเสียงคุณนะ่ะดังกังวานและไพเราะดีผมว่าคุณควรจะเป็นนักร้องมากกว่าจะมาเป็นแท้และเดินทางเสียงตายมาในครั้งนี้นะคุณลองตะโกนอะไรก็ได้นะตะโกนเข้าไปในช่องผานี่แหละผมอยากจะได้ยินเสียงสะท้อนมันคนกล้องดีพี่ลึกแหละเบสเป็นคนว่าง่ายตามปกตินิสัยอยู่แล้ว ทำหน้าเลอะระมองคนโน้นทีคนนี้ทีสตาลีซึ่งรอบคอบและลึกซึ้งที่สุดจับสำรวจอาการของรอพินยอยู่ทุกขณะแล้วก็ลอบพยักหน้าเหมือนจะให้ทำตามที่เขาบอกคำแรกเบลแหกปากตะโกนเหมือนจะทักทายภูผานั้นออกไปดังลั่นว่าเฮ <Hey! S 1> เสียงของเบนสะท้อนกล้องกังวานกระทบแงเหลือบหิน แล้วดังกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วค่อยๆจางหายห่างไกลออกไปไหนอีกทีซิระพินบอกคราวนี้เบลป้องปากร้องเพลงเต็มแก้วเสียงของหลอน The here are alive with the sound of music with song they have sang for a thousand years กระแสะเสียงเพลงนั้นไพเราะจริงๆและมันได้ดังกล้องสะเทือนไปทั้งหน้าผาด้วยระบบของเสียงเอคโคธรรมชาติราวกับว่าเบนจะร้องเข้าสู่เครื่องขยายเสียงที่มีกำลังส่งสักห้า0มืวัตต์ก็ไม่ปานเพียงแค่ตังวานกลับไปกลับมาในประโยคสุดท้ายเหมือนใครมาร้องล้อเลียนอยู่นั่นเองขุนเขาผาทะมึนทั้งสองด้านก็มีอาการไหวครึก มันดังไม่มากนักแต่ทุกคนก็รู้สึกพร้อมกันหมดเพราะพื้นซึ่งกำลังยืนกันอยู่ในขณะนี้มีอาการคล้ายสั่นสะเทือนเล็กน้อยหินจากเบื้องบนตลอดแนวภูผาอันเป็นหินเปราะหักร่วงเป็นฝุ่นก้าวลงมาปรากรายแลดูขาวมัวเป็นจุดจุดทั่วท่วไปและสะเก็ดบางส่วนซึ่งไม่โตนักกระเด็นกระดอนลงมาเป็นลาดับจนกระทั่ง ตกลงมาถึงพื้นเห็นกันทั่วทุกคนซึ่งพากันยืนจังงังตัวแข็งกันอยู่ในขณะนี้เบลคนร้องเพลงเข้าไปในช่องเขานั้นก็อ้าปากค้างใช่แล้วครับเบลคุณเขาได้มีชีวิตชีวาขึ้นแล้วด้วยกลางวันเสียงเพลงของคุณและถ้าคุณยังขืนร้องเพลงให้มันฟังเพื่อให้มันร้องตอบมาอีกแล้วก็พวกเราที่จะเดินผ่านเข้าไป ก็คงจะถูกขยี้และฝังทั้งเป็นอยู่ในช่องทางนี้นับเป็นพันพันปีเหมือนกับตามเพลงที่คุณร้องนั่นแหลระรพินไพยวันพูดคราวนี้แหบลึกปราศจากรอยยิ้มแห่งอารมณ์ขันแล้วดวงตาทั้งคู่รี่ลงเอาละครับผมจะเรียนให้ทุกคนทราบนะครับช่องทางรือวซอกข้างหน้านี่ คือแนวทางที่กระบวนของเราทั้งหมดจะต้องอาศัยเดินผ่านเข้าไปไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือกแล้วนอกจากทางนี้ทางเดียวระยะทางที่มันจะผ่านไปในระหว่างหน้าผาอันเต็มไปด้วยหินอันตรายเหล่านี้ไม่ยาวไกลนะักก็ราวๆสองร้อยเมตรเท่านั้นตามปกติแล้วถ้าเราไม่มีศัตรูมืดที่คอยจ้องเล่นงานเราอยู่ทุกขณะจิต มันก็ธรรมดาที่สุดไม่มีอะไรเลยพวกเราเดินทางผ่านเส้นทางไปได้อย่างสบายหรือต่อให้มีพายุลมกระโชกตลอดจนมีคลื่นเสียงอะไรเข้ามากระทบบ้างเช่นเสียงปืนหรือเสียงฟ้าร้องหินเปราะอันมากมายเหล่านั้นก็อาจจะร่วงหล่นหักหลุดออกมาเพียงเล็กน้อยซึ่งจะหลีกหลบกันได้ทัน จอมพรานหยุดกระเดืกน้ำลายฝึดฝืดลงลำคอทุกคนมองเขาเขม่งและเงียบกริบกันไปหมดแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับจุดอันตรายขีดสุดของเรามาถึงนั้ละครับถ้าขืนเคลื่อนขบวนเดินผ่านเข้าไปเมื่อไหร่แล้วก็หินเปราะและหินแท้ที่เห็นฝังอยู่พราวสองฝั่งหน้าผาที่บีบเส้นทางไว้นี่ จะถล่มพลูลงมาบทพวกเราทั้งหมดที่หลวมตัวเผลอเดินเข้าไปแหลกละเอียดและถูกฝังเสร็จเรียบร้อยทั้งขบวนไม่ว่าจะมีสักกี่คนใช่ครับขณะนี้มันก็รอเราอยู่แล้วรอที่จะให้ขบวนของเราทั้งหมดเคลื่อนเข้าไปในซอกของเส้นทางนี้ครับพระเจ้าอเมริกันทั้งสี่อุทานออกมาเกือบจะเป็นเสียงเดียวกัน หันขวัดไปจ้องเส้นทางเดินและลืบหินสองฝั่งอย่างรวดเร็วทำไมอ่ะทำไมมันถึงจะทถล่มร่วงลงมาได้ในขณะที่ขบวนของเราผ่านไปสเตลีถามแทบจะเป็นอาการสำลักเบิกตากว้างโพรงเห็นก้อนหินรูปกลมใหญ่โดดเดี่ยวที่รังงานเด่นนั่นอยู่ไหมครับ โคนตอนล่างของมันนะ่ะมันเหลือบางขอดกิวนิดเดียวเนื่องจากถูกลมพัดไว้หลายหมื่นปีมาแล้วส่วนตัวก้อนใหญ่ข้างบนของมันอันมีลักษณะเกือบจะ ก, กลมนั่นคุณคำนวณ น, น้ำหนักได้ไหมว่ามันควรจะหนักซักเท่าไหร่รับพิจิตรให้นายจ้างของเขาซึ่งหันไปจ้องเป็นตาเดียวมันเป็นก้อนหินขนาดเรืองไม่คือมากกว่าทุกก้อนบนริมหน้าผาแห่งนั้น ซีกทรายมือเมื่อทุกคนหันหน้าเข้าช่องทางเดินระยะสูงขึ้นไปประมาณร้อยถึงร้อหเมตรโดยวัดจากพื้นเบื้องล่างขึ้นไปแต่ถ้าวัดจากปากทางที่จะผ่านเข้าก็มีระยะประมาณห้เมตรจะถึงบริเวณอันตรงกับที่มันตั้งตระ ง, งานอยู่อย่างหน้าหวัดเสิวเพราะโคนกิ่วเต็มทีทำท่าเหมือนจะขาดมิขาดแหล่ อันเป็นเรื่องธรรมชาติทรรมเอาไว้ผมว่าไม่น้อยกว่าร5 0ยห้าตันทีเดียวนะก่อนนั้นเชิดวุดอุทานออกมาจ้องเขมิงแล้วคว้ากล้องสองทางไกลขึ้นมาส่องทันทีอาการของเขาเช่นนั้นเองทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนเว้นจากคริสติน่าผู้ยืนจ้องตานิ่งต่างควักกล้องประจำตัวออกมาส่องตรวจพางอุทานแในลาคอ ด้วยบ๊อบมันเป็นหินก้อนใหญ่มากนะไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบตันอย่างวุฒว่าเลยแล้วโคนก็ถูกพายุพัดกิวเหลืออยู่แค่นิดเดียวมันทาน้ำหนักกันไม่ไหวแล้วอ่ะจะขาดร่วงลงมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้ามันเกิดขาดร่วงตูมลงมาน้ำหนักกระแรงสะเทือนของมันจะทำให้โขดหินใหญ่น้อยรวมทั้งหินเปราะทลลมตามกันลงมาทั้งแถบทีเดียวและช่องทางแคบๆในซอกเขานี่ ก็จะถูกบทขยี้ฝังกรบหมดคิดพูดหนักๆในลำคอสเตลีใช้กล้องพิจารณาดูอย่างพินิษคร่ครวนขีดสุดใช่ถ้าหินก้อนนั้นมันเกิดขาดหล่นลงมาเมื่อไรมันก็ถล่มก้อนหินบริเวณภายใต้ของมันให้ร่วงตามกันลงมาทั้งแถบแน่นอนไม่เถียงเลยในข้อนี้แต่รับพินน่าจะมีเหตุผลมากกว่านั้นสิ ที่เขายังไม่ได้บอกเราลองคิดดูหินใหญ่ที่ถูกลมพัดจนกิ่วขอดดูว่าน่าจะขาดตกตรงมาก้อนนั้นได้ตั้งอยู่ตรงตำแหน่งนั้นตามธรรมชาติของมันกี่แสนกี่ล้านปีมาแล้วแล้วเพียงไม่กี่นาทีที่กระบวนของเราจะผ่านไปมันจะเกิดอุปัตวเหตุหักลงมาเหรอถ้าหากว่ามันอยู่ของมันตามธรรมชาติเช่นนั้นใครบอกได้ ก็จะใช้เวลานานอีกสักเท่าไหร่ร้อยกิวนั้นจริงจะทานน้ำหนักไม่ไหวแล้วหักสะบั้นทำให้มันร่วงลงมานับจากเวลานี้ไปอีกอาจจะเป็นร้อยปีหรือพันปีก็ได้ครับถูกต้องครับสุภาพบุรุษไทยตอบเสียงต่ำลึกถ้าปล่อยมันไว้ตามธรรมชาติก็ยังคำนวณเวลาไม่ได้ว่าจะอีกสักกี่ร้อยหรือกี่พันปี มันจึงจะขาดหล่นลงมาแต่ถ้าหากไม่ใช่ธรรมชาตินะครับโดยมีอะไรสักอย่างมาช่วยเร่งเวลามันชนิดฉับพลันทันด่วนมันจะขาดตกลงมาได้ไหครับระหว่างที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นงงงันกันอยู่จอมพลันชี้ให้ดูต่อไปคราวนี้ลองมองสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ ผมหมายถึงว่าสูงกว่าระดับที่หินกิ่วก้อนนั้นยืนอยู่เราจะเห็นว่ามีก้อนหินย่อมย่อมอยู่อีกก้อนหนึ่งฝังเอ็นมินเมย์อยู่กริมหน้าผาเหนือกว่าหินกิ่วก้อนนั้นขึ้นไปประมาณยี่สิบเมตรน้ําหนักของหินก้อนบนนะผมกะว่าราวสิบกว่าตันเท่านั้นนะไม่มากนะักแต่ถ้ามันถูกผลักหรือเขี่ยหรือ ด, ดันอย่างใดอย่างหนึง่ง ให้หลุดจากที่ของมันมันก็จะร่วงหล่นลงมาและหล่นลงกระทบกรรอยกิ่วของหินน้ำหนักร5อยห้าสิบตันนั่นแรงระทะจากหินก้อนบนแม้จะเป็นหินที่มีก้อนเล็กกว่ามากก็ตามถ้าหล่นลงมากระแทกกระตำแหน่งข้อกิ่วนั่นเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะต้องขาดหลุดออกจากรอยข้อกิ่วนั้นทันทีไมกูเนส เสียงเบนหลุดออกมาแผ่วเบาที่สุดส่วนคริสติน่าหลับตาลงชั่วขณะเหมือนจะนึกวาดภาพคิดเป่าลมแก้มโป่งสแตนลีลูกคางสงบสงบนิ่งส่วนเชิดบุรเอามือตะครุบหลวงพ่อทวดโดยไม่รู้ตัวเจ็ดสิบเอ็ดระพินคุณยังไม่ได้บอกเหตุผลกับผมเลยนะ ว่าทำไมคุณถึงได้วาดภาพไว้หน้ากลัวอย่างนั้นในที่สุดอเมริกันอาวุโสก็เอ่ยขึ้นเบาๆเคร่งเครียดดอกเตอร์ครับถ้าผมสามารถวาดภาพหรือมองเห็นอะไรล่วงหน้ามาก่อนผมก็คงไม่พาคณะของเราเดินผ่านมาทางนี้หรอกครับคงหาทางอื่นหลีกไปแล้วแม้จะต้องอ้อมสักแค่ไหนก็ตามแต่นี่เป็นเพราะคิดไม่ถึงมาก่อนมาเห็นเข้ากระจนตัวซะและ้ว แต่ก็ยังดีที่ไหวทันหยุดพวกเราไว้ได้ทันโดยเฉพาะพวกกระเรียงอุพยพและพวกลูกหาบถ้าขื่นปล่อยให้เดินเข้าซองและไปถึงตำแหน่งที่ตรงกับหินกิ่วข้างบนนั้นเมื่อไหร่ก็แปลว่าขบวนของเราล้ำแนวเข้าไปหมดแล้วจะไม่มีทางแก้ไขทันอีกเลยต่อให้ตัวผมเองก็ไม่มีเหลือเราถูกฝังพร้อมๆกันหมดแน่ถ้าเดินเข้าไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ตามปกติแล้วเส้นทางนี้ ก็เป็นเส้นทางที่ผมและพวกค้วยสือร้องอาศัยเดินผ่านอยู่เป็นประจำแ่ะครับแล้วเราก็เห็นหินกิวอันดูเป็นของประหลาดนั่นมานานแล้วเดินไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากเวลาเดินผ่านก็ชมความงามตามธรรมชาติของมันแล้วก็ร้องตะโกนฟังเสียงของตัวเองให้สะท้อนกล้องเล่นเหมือนอย่างที่ทดลองให้เบนร้องเพลงเมื่อตะกี้นี้แต่มาวันนี้ผมมีเหตุผลเชื่อมั่นถึง90เปอร์เซ็นเลย ว่ามันเอาเราแน่ตรงที่ตำแหน่งนั้นแล้วก็จุดนั้นครับสังหรณ์เหรอสแตลีถามเขาสั่นสีสักยิ้มกา้านๆเปล่ารครับไม่ใช่สังหรณ์ครับแต่เห็นครับคุณเห็นอะไรคราวนี้ทุกคนแม้แต่คริสติน่าเรากันนัดกันไว้เพราะเป็นเสียงเดียวพูดพร้อมกันหมด ผมเดินนำหน้าขบวนทิ้งระยะห่างประมาณสามสิบเมตรพอเหยียบเข้าปากทางปกติวิสัยของผมทุกครั้งนะครับผมจะต้องมองไปยังหินกิ่วก้อนนั้นเหมือนกับว่ามันจะเป็นเพื่อนซึ่งจะต้องทักทายกันทุกครั้งที่ผ่านมาก็วัดที่ผมเหลือบมองขึ้นไปนั่นแหละครับผมเห็นอะไรชนิดหนึ่งยืนอยู่ตรงกิ่วข้ออันเป็นฐานนั่นแหละ มันยืนนิ่งเหมือนเสาหินซึ่งครั้งแรกผมก็คิดว่าเป็นหินเหมือนกันแต่มาเอกใจจำได้ว่าใต้ฐานตรงรอยขอดนั่นเคยเกลี้ยงเกลาไม่มีอะไรโผล่แทรกขึ้นมาเลยผมก็เลยหยุดชะงักจ้องดูพอผมจ้องสักอึดใจเท่านั้นแหละมันก็หลบแวกหายไปในหมู่หินเหมือนจะรู้สึกตัวว่าผมเห็นมันเหมือนกันมันเหรอ มันนั่นแหละไอ้ซากนักรบโบราณตัวเขื่องที่สุดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพวกเราทุกคนในขณะนี้ไปตัวที่วิญญาณชั่วร้ายมันไตรอาศัยสิงอยู่นะครับเงียบกริบไม่มีใครกระดิกในครั้งนั้นมีแต่เสียงลมที่พัดผ่านโตรวีดหื้เหมือนเสียงคลางของปีศาจกระพิณกล่าวต่อไปว่าผมเพียงแต่จ้อง เพื่อจะให้แน่ใจเท่านั้นแะครับยังไม่ทันจะขยับปืนเลยมันก็หลบข้างบนไม่มีเส้นทางเดินครับและช้างสามารถจะไต่ขึ้นไปได้ขณะ น, นี้ผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้งาดาจะแอบอยู่ข้างหลังก้อนหินนั่นซึ่งอยู่เหนือหินกิว่วลูกโตนั่นหรือเปล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่าว่าแต่ช้างที่ผีลงบังคับเลครับขนาดช้างป่าธรรมดา ก็เคยเล่นงานเราด้วยวิธีขึ้นไปบนภูเขาหินแล้วงัดก้อนหินกลิ่งลงมาใส่คณะของเรามาแล้วผมไม่กล้าจะเอาพวกเราเข้าไปเสี่ยงแบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นอันขาดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนทางนี่เป็นหนทางอับชะด้วยถ้าหินมันกริ่งลงมาก็ไม่มีทางขยับขยื่นได้เลยเพราะทุกคนเดินขบวนเข้าซองหมดเพราะฉะนั้น ผมจึงให้พวกเราส่วนใหญ่ทุกคนโดยเฉพาะพวกแบกหามสัมภาระและพวกอุพยพให้ถอยกลับลงไปให้พ้นเขตอันตรายซะ ก, ก่อนครับตะวันรอนอ่อนแสงลงเป็นลำดับอากาศรอบด้านเริ่มจากขมุขขมัวคงเห็นแดงฉานจาาจ้าเฉพาะแนวผาหินทั้งสองฝั่ง และส่วนยอดที่สูงลิบเลี่ u ขึ้นไปด้านบนเท่านั้นบัดนี้ทุกคนเหงื่อแห้งสนิทแล้วตรงกันข้ามจากความระอุอบอ้าวที่เดินกร้ำกันมาอย่างหนักเริ่มจะเปลี่ยนมาเป็นความเย็นด้วยลมยามใกล้สนธยาบนยอดเขาสูงและแน่ละอีกชั่วไม่นานมันก็คงจะกลายเป็นความหนาวเยือชนิดจับเข้ากระดูกทีเดียว ภายหลังเมื่อดวงตะวันลับดวงไปแล้วอิซาเบลหัวเราะเสียงแป่งเอ่ยขึ้นเสียงแตกพร่าว่าแล้วนี่น่ะเหรอที่คุณเคยเสนอให้พวกเราแยกกันออกไปเป็นสองพวกโดยฝ่ายพวกเราทั้งหมดคุณให้มุดลอดผาใต้ผาน้ำตกอันเป็นทางลัดไปปล่อยให้กะเรียงอพยพพวกนี้เดินผ่านเส้นทางนี้ภายใต้การนำของพรานสี่คนของคุณ มีจุดนัดพบกันที่ห้วยเสือร้องก็ดีถ้าเราตกลงตามที่คุณบอกไว้กระเรียงอพยพพวกนี้จะต้องเดินผ่านเส้นทางนี้แม้จะมีบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยเป็นผู้นำมาก็ตามเถิอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าพรานทั้งสี่คนนำขบวนผ่านไปในซอกแคบๆระหว่างหน้าผานี่บ่านี้ลูกน้องคุณทั้งสี่คนกับกระเรียงอพยพทั้งหมด ไม่ถูกฝังทั้งเป็นอยู่ในซอกนี่หมดแล้วเหรอถ้าบางเงินคุณไม่ได้มากับพวกเขาด้วยและเกิดไหวทันขึ้นเสียก่อนอย่างเดี๋ยวนี้จอมพรานอึ้งไปชั่วขณะกระดกปลายลิ้นออกมาเกลี่ยริมฝีปากที่แห้งผากยังตอบอะไรไม่ถูกในขณะนั้นคริสติน่าได้ยินคำพูดของเบลก็สงสยัยเพราะขณะที่ร่วมประชุมหารือกันอยู่นั้นหลอนไม่ได้อยู่ด้วย ยืงหันไปกระซิบถามอะไรซุบซิบกับเพื่อนสาวเบอธิบายให้ทราบว่าระพินเคยวางแผนการเดินทางไว้ให้เลือกอย่างไรบ้างหล่อนเป่าลมออกมาจากปากเบาๆจ้องเขาตาไม่กระพริบโชคดีมากนะที่พวกเราทุกคนไม่มีใครยอมเลือกวิธีที่เขาเสนอมานันเพราะมิฉนั้นก็แปลว่าเฉพาะพวกเรากะลูกหาบ และพรานนำทางอันเป็นหัวหน้าเท่านั้นจะไปรอคอยค้างเติ่งกันอยู่ที่ห้วยเสือร้องนั่นเองส่วนพรานลูกน้องของเขาสี่คนรวมทั้งเกรี่ยงอพยพทั้งหมดจะไม่มีโอกาสติดตามไปสมทบได้ตรงตำแหน่งนัดหมายอีกแล้วและคงจะอีกนานกว่าจะค้นพบสาเหตุว่าพวกนั้นพากันหายหน้าไปไหนหมดคริสติน่าพูดเสียงราบเรียบที่สุด พระพินขยี้จมูกอีกครั้งพยายามสะกดกั้นความหงุดหงิดผมเรียนแล้วนะครับว่าผมไม่มีโอกาสที่จะคาดคเนหรือรู้อะไรได้ล่วงหน้าและเมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ไม่ได้ตัดสินใจทำไปคนเดียวแต่เชิญพวกคุณทุกคนเข้าร่วมปรึกษาทุกครั้งไปเพื่อขอความชี้ขาดจากเสียงส่วนมากโดยแจกแจงให้เห็นว่ามีผลดีอย่างไร มีผลเสียอย่างไรขณะที่เราร่วมปรึกษากันผมก็ได้เชิญคุณมาร่วมด้วยแล้วตอนนั้นแต่คุณก็เมินเฉยซะมีคุณเพียงคนเดียวที่ขัดประชุมโดยบอกให้คนอื่นๆทำหน้าที่แทนและผลของการประชุมหารือก็ออกมาในแนวทางที่ถูกต้องคือทุกคนไม่มีใครยอมให้ผมแยกคณะออกไปเป็นสองพวกซึ่งผมก็ยอมปฏิบัติตาม คุณไครวันคริสติน่าเน้นเสียงกรุณาเข้าใจไว้ด้วยนะคะว่าฉันไม่ได้ตำหนิอะไรคุณฉันเพียงแต่รำพึงด้วยความหวาดเสียวต่อเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เท่านั้นมันหมายถึงว่าถ้าคุณนำพวกเราแยกลัดทางตัดถ้ำไปซะลูกน้องคุณเองสี่คนกับกระเหรี่ยงอพยพพวกนี้ก็ตายหมด ในช่องเขานี่เองคุณไม่จำเป็นต้องหุดหงิดและมาหัวเสียอะไรกับฉันหรือคุณคิดว่าถ้าคุณไม่มาด้วยลูกน้องของคุณต่อให้มือดีสักขนาดไหนอย่างเช่นบุญคำผู้อาวุโสที่สุดเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้รู้ตัวได้คริสติน่าไม่พูดเปล่าชูมือขึ้นเหนือศีรษะและดีดแรง บุญคำกระจันผู้เ็นเข้าไปนั่งเป็นลิงจับหลักอยู่บนแป้นหินฝั่งขวามือห่างขึ้นไปไม่มากนักหันมามองหล่อนก็ควักมือเรียกสองพานอาวุโสของระพินจึงไต่ลงมาสมทบอย่างเงียบเงียบและเบากริบสังเกตดูทั้งสีหน้าของบุญคำและจันจ้อยลงถนักคริสติน่ายิ้มให้กับทั้งสองและถามทันทีว่า นี่บุญคำใครเป็นคนเดินนำหน้าขบวนตะกี้เนี่ยก่อนที่จะถึงช่องเขาที่เรามาหยุดยืนกันอยู่เนี่ยบุญคำกระจันตะพานเท่าบอกเสียงอ่อยๆแล้วพานใหญ่ละเขาเดินอยู่ตรงไหนหางหลังไปราวๆสักสิบเก้าครับคราวนี้จันเป็นคนตอบใครเป็นคนสั่งให้หยุดเดินแล้วก็หยุดขบวนทั้งหมด บุญคำจันหรือว่าพรานใหญ่คริสติน่าซักติดต่อไปโดยเร็วก็พรานใหญ่เป็นคนสั่งให้บุญคำก็จันหยุดเดินแล้วก็เป็นคนสั่งให้โบมเมียต้อนพวกกระเรียงถอยกลับลงไปหล่อนพยักหน้าช้ า, ชารู้เหตุผลของเขาไหมทำไมเขาสั่งให้หยุด เลาสั่งให้พวกเราส่วนใหญ่ถอยกลับลงไปทั้งสองพรานมองหน้ากันเองแล้วยิ้มแห้งๆพรานชำเลืองแวบไปทางพรานใหญ่ผู้ก้มลงจุดบุรีบุญคำกระจันไม่รู้เห็นพรานใหญ่สั่งให้หยุดก็หยุดแต่มารู้เอาทีหลังเมื่อโบมเมียต้นพวกนั้นกลับลงไปแล้ว แกชี้ให้ดูหินใหญ่ขอดกิวก้อนนั้นบุญคำชี้ขึ้นไปยังก้อนหินใหญ่ลิบลิอันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนคำเหม่นมองด้วยปัญหาหนักในขณะ น, นี้กล่าวต่อมาว่านายแกว่ามันทำท่าไม่ดียกคาตกกิ่งลงมาและแต่หินก้อนนั้นลน หินทั้งหลายที่งอกตะปุ่มตะป่ำอยู่ตามแนวหน้าผาก็จะหล่นลงมาเราก็ใครมาเทกระจัดบุญคำเห็นแล้วก็เสีสยวใ่เหมือนกันแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมหินก้อนนั้นมันถึงจะต้องขาดตกลงมาแกก็ยังไม่ได้บอกอะไรบุญคำหรอกและท้าวฟรานใหญ่ไม่ได้เดินหลังมาด้วย ไม่ได้เป็นคนเตือนให้บุญคำกระจันให้หยุดบุญคำกระจันจะเดินเข้าไปในห้องนี้ไหมก็ต้องเดินเข้าไปเพราะมันเป็นทางที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนี่คริสติน่าหัวร้อฮือฮในลาคอมองไปยังพักพวกของหล่อนทุกคนคิดวีดีได้หรือยังว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากชายคนนี้ไม่ได้มาในเส้นทางนี้ด้วยโดยปล่อยเฉพาะบุญคำกระจันเพียงสองคนให้ทำหน้าที่นำขบวนแทนเขาแล้วก็ดูเองเถอะแม้กระทั่งคนของเขาเองแท้ๆเขาก็ยังไม่ได้อธิบายให้รู้โดยละเอียดเลยว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้เนื่องมาจากอะไรลําพังบุญคำกระจันหรือต่อให้เกิดหรือเสยครบทั้งสี่คน บ่า น, นี้เอาพวกกระเรียงทั้งหมดไปถูกฝังหมดแล้วถ้าขาดหัวหน้าใหญ่ของพวกเขาสักคนเดียวแล้วจะเอาอยัางไงกันดีล่ะครับประพินสไตลีถามขึ้นโดยเร็วมองไปยังช่องเขาและภูผาทั้งสองฝั่งอีกครั้งความจริงระยะทางในช่องเขานี่มันก็ไม่ได้ยาวไกลอะไรนักไม่ใช่เหรอเห็นคุณบอกว่าเพียงแค่200อเมตรเท่านั้น ที่เป็นเส้นทางถูกบีบขนาดเข้าสู่จุดอันตรายนี่ทุกคนเห็นริ้วรอยย่นบนหน้าผากของเขาพร้อมกับการยิ้มที่ไม่ปลอดโปร่งนะักครับก็แค่สองร้อยเมตรเท่านั้นแหละแต่มันก็เป็นระยะทางที่จะฝังพวกเราทั้งหมดไว้อย่างสนิทเรียบร้อยชนิดที่ถ้าไม่มีใครเดินผ่านมาก็จะไม่มีร่องรอยชวนให้สงสัยเลย ตะขืนเสียงเดินเข้าซองนี่ไปทั้งกระบวนไอ้ครั้นจะให้พวกเราแต่ละคนทำตัวเป็นนักวิ่งเร็วโดยการให้วิ่งผ่านช่องทางนี้ไปทีละคนชนิดเร็วจีพะถึงฝากน่นแล้วก็ให้คนถับถับไปกระทำโดยวิธีเรียงกันมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีสัมภาระข้าวของที่จะต้องแบกหามแล้วรเรลียงอุปยกอีกฝูงเบอ้อ อันประกอบไปด้วยลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็คนเจ็บด้วยทางเลี่ยงอย่างอื่นก็ไม่มีไอจะหยุดที่นี่ก็ไม่ได้อันตรายสารพัดถ้าตะวันตกดินไปแล้วจะเดินย้อนกลับก็เท่ากับ ว, ว่าไอ้ที่เดินกันมาทั้งวันของวันนี้เป็นการเดินศูนย์เปล่าเสียเวลาไปอีกจุดหมายปลายทางสําหรับที่เราจะพักภายในคืนนี้ ก็อยู่อีกไม่ห่างข้างหน้านี่เองนะครับถ้าผ่านช่องทางนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วเดินไปทางกันอีกแค่สองชั่วโมงก็จะถึงยอดเขาที่เรียกว่าสักดำตามที่ผมบอกไว้แล้วซึ่งที่นั่นคือที่พักของเราทั้งนั้นก็แปลว่าเราก็ต้องผ่านช่องเขานี้ไปให้ได้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งโดยให้พวกเราทุกคนปลอดภัยที่สุด อย่างนั้นใช่ไหมคิดเอ่ยขึ้นบ้างก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหระครับแล้วเราต้องหาวิธีให้ได้ก่อนจะมืดด้วยมิฉนั้นเราจะยิ่งเสียเปรียบครับอก็อ น, นั้นสิแล้วจะเอาอยัางไงกันดีเชิดบุตพร่องออกมาอย่างกระวนกระวายใจล้ะพินเดินพระออกจากที่นั่นแยกทางออกไปเล็กน้อย พยักหน้าเรียบบุญคำและจันเข้ามาซุบซิบหารือแบบเอาหัวชนกันอยู่อึดใจหนึ่งก็เดินกลับเข้ามาผมปรึกษากันสองคนนี่แล้วนะครับเราจะเอาอย่างนี้ครับพวกคุณทั้งหมดสี่คนรวมทั้งคุณเชิดวุดด้วยขึ้นไปแอบซุ่มตัวนิ่งๆอยู่บนชะง่อนหินริมปากทางนี่ก่อนตรงนั้นน่ะมันสูงแล้วก็มั่นคงปลอดภัยพอ ถ้าหากว่าหินบนหน้าผามันเกิดถล่มร่วงลงมายังช่องทางเดินและกลิ้งสวนทางออกมาทางด้านนี้ระดับของก้อนหินที่จะกลิ้งสวนออกมารวมทั้งพวกที่ถล่มลงมาจากหน้าผาจะไม่ถูกพวกคุณเลยเพราะขึ้นไปพักซุ่มอยู่ตรงชะง่อนสูงนั่นให้ทุกคนระวังตัวเกาะยึดแง่หินให้แ น, น่นๆอย่าพัดหล่นลงมาก็แล้วกันระวงที่หน้าผาถาลม เพราะมันจะต้องมีแรงสะเทือนมากพอๆกับแผ่นดินไหวทีเดียวส่วนพวกลูกหาบและกระเรียงอบพยพที่ผมไล่ให้ถอยออกไปอยู่ห่างไกลลงไปมากก็อาจจะมีก้อนหินใหญ่ๆกลิ่งตามแนวสูงชันนี่ลงไปทางพวกนั้นบ้างแต่พวกเขาก็ต้องหลบทันแน่เนื่องจากเป็นหนทางกว้างและมีที่หลบกำบังแยะทั้งหมดแงนมองขึ้นไปยังช่างนอนหินสูงกว่าระดับพื้นที่ยืนกันอยู่ขณะนี้ ประมาณสิบเมตรลักษณะเป็นก้อนหินแกรง่งแข็งแรงเป็นส่วนประกอบของเทือกหน้าผานั้นแต่อยู่ริมปากทางที่จะผ่านเข้าและมองไม่เห็นว่าจะมีอันตรายใดๆจะร่วงหล่นลงมาทับได้แม้จะเกิดหน้าผาถล่มขึ้นมันเป็นหินก้อนเดียวกับที่บุญคำและจันขึ้นไปนั่งจ้องอยู่เมื่อตะกี้นี้นั่นเองหัวหน้าคณะเปลี่ยนสายตามาจับอยู่ที่เขา เอาละแล้วยังไงต่อไปล่ะคุณบุญคำกระจันสองคนนี่รับอาสาทำเป็นเดินล่อเข้าไปในช่องทางแคบๆเส้นนี้พร้อมทั้งส่งเสียงคุยกันเอกอะเพื่อมันผลักก้อนหินอันเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำหน้าผาด้านนี้ถลม่มลงอ๋อแล้วสองคนนี่ก็แหลกเละไปตามระเบียบงั้นสิถ้าหินมันพลูถล่มลงมาตามแผนการของคุณ ด้วยคุณคิดว่าทั้งสองคนจะสามารถวิ่งหนีก้อนหินที่จะพลูลงมาเป็นหาฝนเหล่านั้นได้ทันคริสติน่าขัดขึ้น ท, ทันทีเดี๋ยวสิครับฟังผมพูดให้จบก่อนครับบุญคำกระจันที่จะรับอาสาเดินล่อเข้าไปเนะ่ะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับสถานที่อย่างดีที่สุดและจะต้องอาศัยความวัยตลอดจนความคล่องตัวช่วยชีวิตตัวเองไว้ให้ได้ แต่ถ้าช้าหรือมัวงุ่ม ง, ง่ามอยู่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันตลอดเส้นทางเดินในช่องของซอกผานี่จะมีซอกถ้าหรือโพรงอยู่เป็นระยะๆะะแต่ละซอกก็จะไม่ใหญ่โตนะักแต่ขนาดพอที่จะมุดหลบเข้าไปได้ถ้าเห็นท่าว่าก้อนหินบนหน้าผากำลังจะร่วงถล่มลงมาเมื่อวินาทีวิกฤตมาถึงทั้งบุญคำและจันจะต้องใช้ความไวของตัวเอง หลบมุดเข้าไปในโพรงถ้ำซึ่งเป็นรูอยู่ทั่วไปตามเชิงฐานี้และแม้ว่าขนทางนี้จะถูกขีนถล่มร่วงลงมากลบเส้นทางเดินทั้งหมดทั้งสองคนจะไม่ถูกขีนทับเลยครับแต่จะถูกฝังทั้งเป็นหายใจไม่ออกหาทางขึ้นไม่ได้ก็ตายอยู่ในรูนั่นแหละเบนสอดขึ้นมาอีกคนหนึ่งกระพินหัวเราะอย่างฉุนฉุน ไม่หรอกครับเรื่องอะไรที่ผมใจคนของผมต้องตายในซอกรูใต้หน้าผานี่มีทางเจาะชอนเชื่อมถึงกันได้เกือบตลอดเหมือนเส้นทางเดินของรังปลวกแม้จะเป็นรูแคบแคบจำกัดแต่ก็พอที่จะเลื้อยตัวคื่คลานไปได้และมันจะมีทางทะลุตัดออกได้ทางอีกฝากหนึ่งของหน้าผานี้โดยการมุดโพรงไปให้ถูกซึ่งเรื่องนี้บุญคำกระจันพอจะรู้เส้นทางนีดีอยู่แล้ว อาจจะใช้เวลาคำหน่อยแต่ก็ไม่เกินสองสามชั่วโมงจะทะลุออกอีกฝากหนึ่งได้ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฝังทั้งเป็นอยู่ภายใต้หินถลมนั่นหรอกครับสำคัญว่าเขาทั้งสองจะต้องมุดเข้าช่องทางให้ถูกโดยหมายเอาไว้ก่อนเท่านั้นถ้าหลบเข้าช่องผิดเป็นหนทางตันก็เสร็จเหมือนกันหาทางออกไปไม่ได้และเราจะไม่เสียเวลาขุดหาศพเขานอกจากปล่อยให้เฝ้าอยู่ใต้เขาลูกนี้ ประโยคสุดท้ายกระพินพูดปนหัวเราะเหมือนจะมีอารมณ์ขันนายจ่างอเมริกันทั้งหมดและเชิดบุษมองหน้าเขาอย่างค้นหาแต่ก็ไม่อาจได้ร่องรอยอะไรทั้งสิ้นดูคล้ายๆระพินจะพูดอะไรได้อย่างง่ายๆและเห็นว่าชีวิตคนของเขาปราศจากค่าใดๆทั้งสิ้นซึ่งความจริงทุกคนย่อมจะรู้ดีว่ามันไม่ใช่เช่นนั้น ครั้นเมื่อหันมาสำรวจสีหน้าของบุญคำกระจันบ้างก็เห็นเห็นว่าปกติดีอยู่ไม่ได้สแสดงอาการวิตกกังวลใดๆเลยนี่มิสเตอร์ฮันเตอร์ฉันอยากจะกล่าวว่าคุณพูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นนะแต่อละ่ะฉันจะไม่พูดคริสติน่าว่าเสียงเครียดแล้วหันไปทางบุญคำกระจันซึ่งหน้าตายอยู่ถามว่า นี่บุญคำแล้วก็จันด้วยเธอทั้งสองคนแน่ใจเหรอว่าในการเดินล่อเข้าไปในถ้ำถ้าหินร่วงถล่มลงมาเธอจะหลบเข้ารูถ้ำใต้หน้าผาตามที่พรานใหญ่เขาว่าได้ทันแล้วก็หาทางออกอีกฟากหนึ่งของภูเขาได้เาไว้แมมถ้าไม่มุดเข้ารูผิดบุญคำตอบหน้าตาเฉยเฉยสั้นๆ บ้าพ อ, พอกันทั้งเบาทั้งนายเบลเอียงหน้ามากระซิบกับคริสตินา่าเชิดวุธแม้กำลังอยู่ในช่วงอารมณ์ตึงเครียดแทบจะปล่อยกล้ากออกมาดางัดางๆแต่สู้ระ ง, งับไว้ใช่ช่วยถามใหม่คนหนึองว่าอ่ะสมมตินะว่ามุดรู้ไม่ผิดทั้งบุญคำและจันและจะไปโผล่ตามจุดไหนมาะเดี๋ยวก็ห่างกันลิบโลก เสียเวลาต้องรอคอยหรือติดตามหากันก็แย่แล้วอย่างหนึง่งจะรู้ได้ยังไงว่าทั้งสองคนปลอดภัยดีเปล่าขณะที่หินมาถล่มลงมาซึ่งตอนนั้นมันคงจะชุลมุนชุละเกกน่าดูคุณคคำยิงฟันเห็นเงือกดำถ้าไม่ผิดทางก็จะมุดออกไปตีเนินสักดำใกล้ที่พักของเราคือ น, นี่พอดีละนายทหาร มันไม่มีทางจะไปโผล่ที่อื่นหรอกนอกจากทางนั้นทางเดียวบุญคานะ่ะเคยสำรวจมาแล้วสมัยที่เคยบ้าหาตัดเหล็กไหลหลายปีมาแล้วพอจะคลำทางไปได้ถูกเอาวิทยุมาให้บุญคํากระจันสักเครื่องหนึ่งสิแล้วก็รู้ข่าวกันเองว่าใครอยู่ที่ไหนจะนัดกันยังไงอีตอนที่หินมันถล่มลงมาปิดทางไว้หมดไอวิทยุเล็กๆนี่ มันจะพูดถึงกันได้หรือเปล่าแต่ถึงยังไงก็ไม่ต้องห่วงบุญคำหรอกถ้าคืนนี้ทุกคนไปถึงยอดสักดำแล้วบุญคำกระจันยังไปไม่ถึงก็แปลว่าถูกขีนทับตายแล้วไม่ต้องรอหรือกลับมาหาห้เสียเวลาหรอกอเมริกันเอาุสูผู้จับสังเกตแล้วก็ฟังดูอยู่ตลอดเวลาไม่มีข้อกังขาอะไรมากนักในเรื่องนี้เ อ, อ่ยขึ้นว่า เห็นจะไม่ต้องห่วงอะไรกระมะั c เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่มีใครรู้อะไรดีไปกว่าราพินบุญคำแล้วก็จันหรอกเพราะเขาคุ้นเคยกับเส้นทางดีมาก่อนแล้วแม้จะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงบ้างก็ตามราพินจะต้องรู้ฝีมือคนของเขาได้ดีกว่าเราราพินเป็นอันรพินเป็นอันรู้กันละว่าข้อหนึ่งคุณจะให้พวกเราทั้งหมดห้าคนนี่ขึ้นไปเฝ้ารอ และหลบหาที่ปลอดภัยอยู่บนโขดหินก้อนโน้นข้อสองบุญคํากระจันจะทำหน้าที่เดินล่อเข้าไปในเส้นทางนี้เพื่อมันถล่มหินลงมาถ้ามันมีแผนการอยู่ก่อนแล้วอ่แลวทีนี้ตัวคุณเองล่ะยังไม่ได้บอกเราเลยว่าคุณจะทำอะไรจอมพลขยับลูกเลื่อนแง้มดูกระสุนไรเฟิลจุดสี่ห้าแปดในรังเพลิงเหมือนจะให้แน่ใจอีกครั้ง ว่ามันขึ้นลำพร้อมแล้วตบก้านลูกเลื่อนลงผมจะไม่ปล่อยให้มันคอยจ้องเล่นงานเราขั้งเดียวระหว่างที่พวกคุณหลบรออยู่ในที่ปลอดภัยระหว่างที่บุญคําและจันทาหน้าที่เดินลอกผมก็จะแอบไปหน้าผาด้านซ้ายขึ้นไปโดยจะหาทางอ้อมขึ้นไปให้ถึงหินที่มีรอยคอดกิว่วอันเป็นปัญหาหน้าคิดอยู่ในขณะนี้หรือถ้าตัวผมเองยังไม่ถึง ก็จะต้องอยู่ในมุมที่สายตามองเข้าไปเห็นอะไรที่มันแอบแฝงซ่อนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นและอยู่ในรัศมีของไรเฟิลด้วยอาจจะเป็นมันไรเองอาจจะเป็นไอ้งาดําหรืออาจทั้งสองเลยก็ได้ที่จ้องจะเล่นงานเราอยู่ตรงนั้นถ้าเห็นผมก็ยิงหน้าผาบริเวณนี้อาจถล่มลงมาแต่ไอตัวการที่ทําให้หินถลม่มก็ต้องเจอกระสุนพร้อมกันไปด้วยหรือถ้าไม่มีอะไรเลย อย่างที่เราสงสัยผมก็จะไปคุมไว้ที่หินมื่อคือมาก้อนสำคัญก้อนนั้นและจะส่งสัญญาณให้ขบวนของเราเดินผ่านไปจนกว่าจะหมดขบวนจากนั้นจึงจะไต่ลงมาสมทบกับพวกเราภายหลังตรงฝากโน้นนี่คุณจะไปยิ้ขึ้นไปตรงหินก้อนนั้นเหรอทุกคนอุทานเป็นเสียงเดียวกันมันก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนี่ครับแต่ทามันสูงชันน่ากลัวอันตรายที่สุดนะคุณ คิดกับสเตลลีร้องออกมามันก็ต้องเสี่ยงแนะครับไอการที่ผมจะปีนขึ้นไปสำรวจที่ก้อนหินกับการที่บุญคําและจันเดินลอกก่อเข้าไปในช่องทางนี่มันก็เสี่ยงพอๆกันแต่ถ้าไม่เสี่ยงเราก็ไม่มีทางจะผ่านช่องทางนี้ได้แหละครับเอาล่ะครับเวลาไม่คอยท่าแล้วเราต้องลงมือเดี๋ยวนี้ละ ว, ว่าแล้วระพิน์ไพรวันก็ขยับตัวพยักหน้ากับคนของเขาทั้งสองฉับพลันนั่นเอง สไตลีก็เข้ามาขวางหน้าไว้พูดเสียงหนักๆเดี๋ยวก่อนคุณไม่เพียงสกัดด้วยคำพูดเท่านั้นหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ยังจับแขนเขาไว้แน่นจ้องหน้าขม็ง้งทาให้ระพินต้องชะ ง, งักนี่คุณขณะนี้พวกผมห้าคนอยู่ที่นี่ด้วยนะเรียกว่าเข้ามาร่วมอยู่ในเหตุการณ์และมองเห็นกันอยู่ซึ่งซึ่งหน้าทีเดียวขณะที่คุณกับคนของคุณอีกสองคน ลงมือปฏิบัติการอย่างที่บอกตะกี้นี้อ่ะมันเป็นการยุติธรรมหมเรอที่จะให้เราทั้งห้าคนนี่งอมืองอเทา้านั่งรอคอยดูอยู่อย่างเดียวอะ่ะจริงด้วยระพินมันไม่ยุติธรรมเลยนะคุณอย่างน้อยมันก็ไม่ยุติธรรมสาหรับคุณน่ะคิดเสือมาเสียงหนักนกัจริงจังอีกคน อ, ะอ่ะแล้วพวกคุณคิดว่าควรจะเอาอยัางไงล่ะครับเขาถามมาง่าย คุณก็ควรจะให้เกียรติเราในการร่วมเสี่ยงร่วมทํางานเคียงคู่ไปกับพวกคุณด้วยนี่ขอบอกเจ้ก่อนเลยนะคุณไม่ต้องอธิบายเหตุผลในด้านเพื่อความปลอดภัยของพวกเราหรอกคุณบุญคําแล้วก็จันทํำยังไงเราก็จะขอร่วมมือกับคุณด้วยพร้อมๆกันพวกคุณสามคนพวกผมที่ยืนอยู่นี่ห้าคนรวมเป็นแปดคนทําไมละ่ะ ทำไมเราไม่รวมกําลังกันทั้งหมดและแยกหน้าที่ออกเป็นสองฝ่ายจํานวนเท่าเท่ากันคือฝ่ายที่จะไปประจันหน้ากับไอ้มหาวายร้ายบนหน้าผานั้นสักสี่คนผมมีเหตุผลนะเหตุผลว่าในฝ่ายที่จะไปประจันหน้ากับมันบนหน้าผานี่ถ้าสี่คนก็แปลว่าเปินสี่กระบอกสายตาแปดคู่ช่วยกันดูซึ่งมันก็จะดีกว่าคุณเพียงคนเดียวแน่ๆแล้วฝ่ายที่จะเดินล่อข้างหน้านี่ก็เหมือนกัน แค่จันกับบุญคำสองคนนะมันก็อาจจะน้อยไปดูแล้วอาจจะไม่ทำให้มันลงมือถลม่มหินภูเขาลงมาใส่ได้แต่ถ้าเป็นสี่คนก็มีเหตุผลที่มันน่าจะตัดสินใจเล่นงานตามแผนล่อได้ดีกว่ารพินไพรวันอัดก้นบุรี่ที่เหลือสั้นนิดเดียวจนแก้มตอกมองละไปตามใบหน้าของนายจ้างของเขาทั้งหมดที่ยืนรายล้อมอยู่ไปทีละคนเหมือนจะอ่านใจ คิดไม่พูดอะไรนอกจากพยักหน้าลุงนิดนึงเชิงสนับสนุนคำพูดของสแตนลีเชิดบุตรจรดนิ้วชี้กับ น, นิ้วหัวแม่มือเป็นวงกลมแล้วชูให้เขาดูแทนความหมายตกลงคริสติน่างั้นเงียบขึมอยู่ในอาการเดิมแต่ดวงตาประกาศชัดว่าหลอนจะไม่ยอมให้เขาทักท้วงเลยส่วนเบนพูดสั้นๆออกมาว่าอาจารย์ผู้ถูกแล้วรพิน คุณขัดขวางสกัดกั้นพวกเราไม่ได้หรอกครับผมทราบมานานแล้วล่ะว่าทุกท่านนเป็นเจ้านายของผมและเดินทางมาในครั้งนี้ก็ล้วนแต่กล้าหาญเด็กเดียวและก็พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญอันตรายได้ทุกอย่างเขาพูดเสียงต่ํำลึกแต่ผมเห็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนะมันยังไม่จําเป็นที่พวกคุณจะต้องมาเสี่ยงเพราะการเสี่ยงในหนทางข้างหน้าน่ะมันยังมีอีกมากนัก ทำไมจึงไม่เก็บไว้ใช้ในยามที่จําเป็นจริงๆชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยต้องขอสมัครเข้ามาร่วมเสี่ยงกับผมะในครั้งนี้ด้วยเราไว้ในโอกาสหน้าไม่ดีกว่าหรือคุณนี่กระพินเจ้าโอกาสหน้าหรือโอกาสนี้มันก็เหมือนหมืนกันเลยขอให้คุณเข้าใจไว้เสียด้วยนะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงความเก่งกาจเท่าหานในคุณเห็นเพื่ออะไรหรอกแต่เราพิจารณาเห็นแล้วว่า อีแปดคนมันทำงานย่อมดีกว่าสามคนนี่ขอผมย้ำอีกครั้งบนะห้โอกตาเราได้ร่วมมือเคียงบ่าเคียงไหลกับคุณบ้าง่ะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับใครในจำนวนของพวกคุณนะขอจอะได้โทษว่าเป็นความผิดของผมนะครับเพราะนี่นะมันไม่ใช่ข้อเสนอของผมนี่ละผิดคุณรู้สึกตัวบ้างไหม ไอ้คำพูดของคุณประโยคเนี่ย่มันดูหมินน้ำใจพวกเราทั้งห้าคนนะผูพ้พูดคือคริสติน่าสตาลีกำแขนเขาที่ยังจับอยู่นั้นบีบหนักหน่วงรับรองยังแมในการร่วมงานกับคุณด้วยในครั้งนี้ถ้าพวกเราคนใดพลาดพลัง้งแม้แต่ว่าจะถึงกับชีวิตไปจะไม่มีใครโทษคุณเลยเอาเป็นว่าสบายใจได้ถ้างั้นก็โอเคครับ เราตกลงกันได้ในหลักการทีนี้ผมต้องการรายละเอียดละสุภาพบุรุษใครพูดง่ายๆขณะที่พยักหน้าลงดีดบุหรี่ที่เหลือก้นไม่ถึงหนึ่งนิ้วกระเด็นไปกระทบโขดหินแตกเป็นลูกไฟไอ้ตามแผนเดิมหน่อยนะผมจะไต่ขึ้นไปค้นหาคุ้มเชิงหรือรเผชิญหน้ากับศัตรูของเราบนยอดหินน่นลำพังคนเดียว ส่วนบุญคำและจันก็จะทำหน้าที่เดินล่อเข้าไปในช่องทางนี้สองคนคราวนี้พวกคุณห้าคนขอร่วมด้วยก็ขอทราบหน่อยว่าใครจะเลือกไปกับใครฝ่ายไหนแต่ตัวเลขนั้นมันออกมาแน่ๆแล้วละ่ะคืออีกสามคนจะต้องไต่ขึ้นไปกับผมอีกสองคนก็ไปกับบุญคำกับจัน์จึงจะแบ่งได้จำนวนเท่าๆกันคือฝ่ายละสี่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะไปกับผมหรือไปกับบุญคำมันก็เสี่ยงอันตรายเกิดบจะเท่าๆกันคือถ้าไปกับผมก็เห็นอยู่แล้วว่าจะต้องไปยืนป่ายขึ้นไปบนหน้าผานี่และถ้าหินมันเกิดพังทลายลงเมื่อไหร่ก็อาจมีสิทธิ์หล่นร่วงลงมาถ้าไม่หลบยึดที่กำบังให้ดีส่วนอีกสองคนที่ไปกับฝ่ายบุญคำจ ะ, ะเผชิญอันตรายในขณะที่ภูผาถล่มหินร่วงพลูทับลงมา ถ้าหลบเข้าไปบังอยู่ในโพรงแล้วแต่บังเอิญโพรงมันอับตันไม่มีทางทะลุออกได้ก็แปลว่าถูกฝังทั้งเป็นอย่างทารุณที่สุดเพราะฉะนั้นห้าคนพวกคุณก็เลือกกันเองว่าใครจะไปกับผมใครจะไปกับบุญคำอัตราสามต่อสองครับอย่างที่บอกไว้แล้วคราวนี้ฝ่ายนายจ้างของเขามองหน้ากันเอง ใครจะเลือกยังไงก็ตามเชนะครับแต่สำหรับฉันขอเป็นฝ่ายเดินล่อไปกับบุญคำกับจันเองคริสติน่ากล่าวขึ้นโดยระพินไม่คาดฝันทำให้เขาต้องมองหน้าในลักษณะงงงันกึ่งตะลึงเดี่ยวว่าแต่เขาเลยแม้ทุกคนก็ตระหนักได้ดีว่าฝ่ายที่จะทำหน้าที่เดินล่อไปในเส้นทางมหาภัยที่รอยอยู่เบื้องหน้านั้นเสียงกับชีวิตยิ่งกว่าที่จะติดตามเขาขึ้นไป ชนิดสองต่อหนึ่งทีเดียวคริสติน่ามีอะไรในใจใช่แล้วนี่หล่อนอยากจะฆ่าตัวตายแล้วมั้งแต่รพินไทร์วันก็ไม่กล้าพูดหรือทักทวงใดๆทั้งสิน้นและคำพูดเช่นนั้นของแม่นักเคมีฟิสิกผมทองสาวสวยผู้มีประวัติเบื้องหลังการเป็นมาอย่างร้ายกาศก็ทำให้สไตลีคีดเชิดบุตรและอิสเ บ, เบลอึกอึกอักกันไปหมด นั่นเอานี้ดีกว่าเพื่อความถูกต้องอยุติธรรมที่สุดเอาเป็นว่าพวกคุณทั้งห้าคนนะจับไม่สั้นไม่ยาวกันสำหรับผมจันท์และก็บุญคําไม่เกี่ยวกับกรณีนี้เพราะถึงยังไงก็จะต้องไปอยู่แล้วพวกคุณทั้งห้าคนต่างหาก่ที่จะเลือกว่าใครบ้างจะไปกับผมใครบ้างจะไปกับฝ่ายบุญคําตกลงไหมตกลงเกือบทุกคนยกเว้นคริสตินาคนเดียว ตอบมาเป็นเสียงเดียวกันหมดระหว่างระพินหมุนตัวไปหากิ่งไม้แห้งเล็กๆและจัด ก, การหักแบ่งส่วนอยู่คริสติน่าก็หัวเราะเบาๆ บ, บ, บอกมาว่านี่ถ้าจะให้จับก็ให้จับแค่เฉพาะสี่คนเท่านั้นนะคุณไพยวันสำหรับฉันนะแสดงเจตจำนงอาสาสมัครหรือเลือกเอาไว้แล้วไม่ได้คริสมันไม่ยุติธรรม เธอจะต้องจับไม้เสียงไทยกับพวกเราทุกคนด้วยผู้ที่ขัดขึ้นมาคือหัวหน้าคณะแล้วก็ถูกย้ำยืนยันมาโดยคณะพักอีกสี่คนโดยไม่มีใครยอมให้คริสติน่าเลือกเอาเองตามใจปรารถนาปล่อนจิงยิ้มที่มุมปากยักไหลและไม่กล่าวอะไรอีกอึดใจเดียวจอมพลันก็หันกลับมายังทุกคนที่ยืนแวดล้อมอยู่ในมือของเขามีไม้โลวกมาห้าอัน ระดับที่โผล่ขึ้นมานั้นเสมอกันทั้งหมดเ้รราประกาศว่านี่คือไม้ทั้งห้าอันที่จะให้พวกคุณจับเลือกเสียงไทายเอาเองนะครับเขาเรียนให้ทราบว่ามีไม้ยาวเท่าเท่ากันอยู่สามอันและไม้สั้นเท่าเท่ากันอยู่สองอันใครจับได้ไม้ยาวคือพวกที่จะขึ้นไปกับผมส่วนไม้สั้นก็ไปกับบุญคำและจันเรีเราจะใช้ระบบจูเนียและซีเนีย ใครอายุน้อยที่สุดมีสิทธิเลือกจับก่อนครับดีดีดีมากคุณทำได้ถูกต้องที่สุดแล้วสเตลลีเอ่อยขึ้นพร้อมกับยิ้มขึ้ขึ้นแล้วพยักหน้าไปทางหมอเบลเฮเบลยูเด hey, อะเฟิร์สอิซาเบลผู้อ่อนเยาว์กว่าเพื่อนก้าวเข้ามาในทันทีตาหล่อนมองหน้าพรานใหญ่ส่วนมือจับไม้ที่เรียงแถวอยู่ในอุ้งมือบางส่วนปลายของเขา นี่นายพรานฉันอยากจะไปกับคุณด้วยนะหลอนพูดอย่างบริสุทธิ์ปราศจากมารยากระตุกขึ้นมาอันหนึ่งทัน ท, ทีแล้วยกขึ้นดูปรากฏว่ามันยาวขนาดสามนิ้วเจ้า ต, ตัวคนจับมองแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะเพราะไม่รู้ว่าเขาหักไม้ทั้งยาวและสั้นไว้ในขนาดไหนแต่ก็หุบ ป, ปากไม่ถามอะไรทั้งสิ่งรอดูผลสุดท้ายที่จะออกมา เมื่อเบงจับเป็นคนแรกแล้วทุกคนก็ยืนนิ่งกันไปหมดไม่มีใครเคลื่อนเข้ามาจนกระทั่งสแตลลีร้องออกมาว่าเอาคนต่อไปเร็วคิดนั้นโดยความรู้สึกของเขาเองประกอบกับความจริงเขาก็เพียงแค่อาวุโสรองลงไปกว่าสแตลลีเท่านั้นจึงเฉยอยู่เหลือเพียงเฉพาะคริสติน่ากับเชิดวุฒสองคนที่มองหน้าเชิงเกียงกันอยู่เอาคริส ทำไมคุณไม่จับอ่ะนายทหารหนุ่มพยักหน้าร้องบอกมาหลอนแค่นยิ้มหมิ่นๆมิ่นไอ้หนูนั่นดูเหมือนเป็นคำที่ประมาทกันซึ่งซึ่งหนักไม่คุณคิดว่าคุณอายุมากกว่าฉันงั้นเหรอเชิดบุษหอปากทำตาโตร้องออกมาเป็นภาษาไทยอย่างหัวเสียโถยหนูถ้านะเกิดมาสามรอบแล้ว สามสิบหกปีโว้ยเหรอหล่อนเลิกคิ้วงามขึ้นนิดหนึ่งฮึนึกไปอย่างมากสักกี่ิแปดยีิบเก้าปีซะอีกน่าเป็นทารกเหลือเกินนี่ความประพฤติก็ไม่ผิดอะไรก็เด็กอมมือเอาละนึกคิดว่าตัวเองจะโตกว่าฉันใ้ฉันจับก่อนก็ได้มาแล้วหล่อนก็เอื้อมมือคว้าที่ก้านหนึ่งโชว์ผางตาผ่านใบหน้าระพินแวบ พร้อมกับกระตุกขึ้นมาโดยแรงทุกคนเงียบกริบไม้ในมือที่คริสติน่าชุดขึ้นมานั้นสั้นแค่นิ้วครึ่งเท่านั้นหลอนผิวปากยาวพร้อมกับยิ้มออกมาด้วยความหมายที่ไม่มีใครแปลออกยกไม้ก้านนั้นขึ้นแตะกระ rim ฝีปากแล้วยกมือขึ้นทำอาเมนเงียบเงียบคนต่อไปคือเชิดบุ เขาดึงขึ้นมาอย่างง่ายๆอันหนึ่งเหมือนกันมันก็สั้นจูเท่าๆกับของคริสติน่านั่นเองคือนิ้วครึ่งเท่านั้นเลยสองอันสําหรับคีธและสเตนลีไม่จําเป็นจะต้องจับอีกแล้วรพินแบามือออกให้ทุกคนเห็นมันเป็นก้านยาวสามนิ้วเท่าๆกับที่เบงจับออกไปเป็นอันแรกก็เป็นนั้นว่าเราได้บุคคลแล้วนะครับดร์สเตนลีคีธ แล้วก็อิสเบลสามคนเป็นฝ่ายที่จะต้องขึ้นไปบนโน้นกับผมส่วนคริสติน่ากับคุณเชิดบุตรก็ไปกับพวกของบุญคำระพินบอกเรียบเรียบเชิดบุตรยิ้มจิกจืดหันไปมองหน้าคริสติน่ากระซิบว่าจะไปขึ้นสวรรค์หรือมุดลงนรกผมไม่แคร์ราคริสแล้วก็ดีใจที่เราได้ร่วมทางเดียวกัน มภาวนาไว้แล้วคริสติน่าไม่พูดอะไรเอื้อมมือมาตบไหล่นายทหารหนุ่มไทยหนักๆระพินสั่งให้ทุกคนที่จัดสรรแบ่งหน้าที่กันไว้เตรียมตัวทันทีแล้วเรียกบุญคากระจันเข้ามาอธิบายให้ทราบว่าในบรรดาฝ่ายนายจ้างจะแยกกันไปทางด้านใดบ้างบุญคาอ้าปา ก, อกบอกระพริบตาปริบ ป, ปรปิมองดูที่คริสติน่ายางงุนงง แต่ก็ไม่กล้าเอ่ยคำใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้นจอมพลานพยักหน้าเรียกคริสติน่ากระเชิดพุตให้เข้ามายืนตรงหน้าเขาโดยมีบุญคำและจันยืนรวมอยู่ด้วยคุณบุตรและมิสกรูบิงครับผมขอซักซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อฝ่ายผมไต่ขึ้นไปถึงหินก้อนสีดำสนิทที่เห็นอยู่นั่นคุณทั้งสองกับบุญคาและจัน จึงจะเดินด้วยอาการปกติธรรมดาเข้าไปในช่องทางนี้สิ่งสาคัญที่สุดที่คุณทั้งสองจะต้องทำความเข้าใจก็คือขณะที่เดินเข้าไปนะ่ะพยายามเดินให้ใกล้ชิดบุญคาและจันทร์ให้มากที่สุดนะครับและจังหวะใดหรือตำแหน่งใดก็ตามหากได้ยินเสียงหินเริ่มถล่มอย่าแยกห่างจากบุญคาและจันทร์เป็นกาขาดเพราะทั้งสองคนเขารู้ดีว่าช่องหรือโพรงใต้ตีนผาบริเวณไหนมั่ง ที่จะมีรูทํำมุดออกได้ผมสั่งทั้งสองคนนี่ไว้แล้วเขาทั้งสองจะทำหน้าที่ฉุดคุณทั้งสองก็ไปเองเข้าใจไหมครับประโยคหลังเขาย้าเน้นหนักมองขมิงอยู่เฉพาะใบหน้าคริสตินาผู้บัตดนี้สุ บ, บุรีอย่างใจเย็นเฉิดบุตรกปาดแข็งแรงส่วนคริสตินาพูดหน้าตาเฉยว่า um, ลักษณะของพวกชั้นสี่คนข้างล่างนี่ คงจะเหมือนแย้วิ่งลงรูนะน่าสนุกตื่นเต้นดีไม่ใช่เล่นขอบคุณพระเจ้าที่ฉันจับได้ไม้สั้นสวมเจตนาไว้แต่แรกระพินรอบถอนใจคุณกับคุณบุตรนี่มีวิทยุประจําตัวไม่ใช่เหรอหล่อนพยักหน้าแต่เชิดบุตรรีบบอกไว้อของผมนี่ตอนนี้ไม่มีนะเพราะให้เกิดไปเมตกี้นี่แล้ว ถ้งั้นเอางี้ครับพระใหญ่พูดเร็วปรือส่งวิทยุของเขาไปให้ตาพรานเท่าสมุนขวาบุญคําเอาวิทยุของฉันไว้นะส่วนแม่มคริสตนะ์มีอยู่แล้วเครื่องหนึ่งแล้วคงจะใช้ร่วมกันนายทหารเชิดพุธได้สำหรับบุญคําก็ต้องมีสำรองไว้เครื่องหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่ฉันจะเรียกได้ทั้งทางฝ่ายแม่มคริสแลวก็บุญคาแล้วก็อย่าลืมที่สั่งไวไ้เป็นนันขาดนะ ถ้าแมมหรือนายทหารเป็นอะไรไปจำไว้ทั้งบุญคำและจันไม่ต้องโผล่ออกไปฉันเห็นหน้าอีกเลยเข้าใจไหมครับนายบุญคำจะพยายามอย่างที่สุดครับสเตลลีคีตและเบลเดินเข้ารวมกลุ่มรับหินงยืมวิทยุจากหัวหน้าคณะแล้วเรียกลงไปยังเกิดกระเซยซึ่งยังคุมขบวนลูกหาบกับกระเรียงอุพยพ ห่างไกลพ้นเขตอันตรายลงไปยังเนินข้างล่างทันทีสั่งว่าฟังให้ดีนะเกิดเซยเอาหีพอสัมภาระราขึ้นเนินเขาสองฝั่งให้สูงกว่าระดับพื้นประมาณอย่างน้อยห้าหกวาแล้วต้อนลูกหาบกับกระเหลี่ยงอุปยพเนะี่ยขึ้นเนินให้หมดอย่าให้ใครอยู่บนกลางทางด่านเป็นอันขาดนะอีกสักครู่หินบนหน้าผาข้างบนนี่อาจจะถลม่ม แล้วบางส่วนก็อาจจะกลิ้งสวนลงไปตรงบริเวณที่พักกันอยู่ในขณะนี้ย้าย ใ, ใครถูกขินกลิ้งทับได้ให้ทุกคนสงบรอยอยู่ที่เดิมเพื่อรอฟังคำสั่งจากฉันแล้วถ้ายังไม่มีคำสั่งก็อย่าเพิ่งเคลื่อนเข้ามาได้ยินข้อความโดยตลอดและเข้าใจที่สั่งใช่ไหมได้ยินครับเข้าใจแล้วครับนายไม่ต้องห่วงท้งนี้ครับ เสียงเกิดตะโกนลั่นออกมาจากสปีกเกอร์จิ๋วในมือของเขาเอาละตอนนี้ก็เลิกติดต่อกันก่อนนะแล้วก็อย่าไปยุ่งอะไรกับเครื่องวิทยุนี่นนะเปิดไว้อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วกันจบคำสั่งครั้งสุดท้ายเขาก็ส่งวิทยุคืนให้หัวหน้าคณะพยักหน้าเป็นความหมายว่าให้ลงมือปฏิบัติการได้โดยแยกออกเป็นสองฝ่ายสไตลีคีอิซาเบลเข้ามาจับมือกระเชิดบุตร กับคริสติน่าเป็นเชิงลากันชั่วคราวพร้อมทั้งบอกอุดลักแล้วทั้งสามคนภายใต้การนำของด็อร์สตลลีก็เริ่มไต่หินปีนป่ายขึ้นไปตามแนวทางที่ระพินชี้บอกล่วงหน้าเรียงลำดับกันขึ้นไปทันทีอย่างไม่ยอมเสียเวลาหรือระพินเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเชิดพุตและคริสติน่าเขาส่งมือไปให้ในายทหารทุนนองก่อน โชคดีนะครับคุณบุตรแล้วก็พบกันใหม่ภาวนาคาถาหลวงพอ่อทวดไว้ทุกขณะแล้วก็อาศัยความไวให้มากที่สุดบุญคำิจันทร์ลุกเข้าไปในซอกถ้ำไหนคุณลากคริสเข้าไปในช่องนั้นให้ได้ด้วยอย่าแยกไปช่องอื่นแม้จะไม่อยู่หลายๆช่องก็ตามครับโชคดีครับพี่ชายเชิดบุตรเขย่ามือเขาโดยแรงก่อนปล่อยคนสุดท้าย ระพินหันไปทางคริสติน่าผู้ยืนสงบนิ่งลำแสงสุดท้ายของตะวันชิงพลบสาดจับผิวหน้าแดงดูเหมือนยอมด้วยเลือดคริสผมเชื่อฝีมือคุณนะเชื่อีิยิ่งกว่าทุกคนในคณะขอให้พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองคุณเขากระซิบเบาที่สุดส่งมือให้คริสไม่จับมือกับเขา แต่ก้านไม้อันสั้นที่หลอนดึงขึ้นมาได้และยังถือติดมืออยู่บรรจงวางลงบนแขนเขานี่คืออนาคตของฉันมันหดสั้นเท่าเท่ากับไม้ที่ฉันดึงออกมาจากมือคุณนี่แหละแฟเวลรพินห well, ล่อนกระซิตบตอบรพินไทรวันยืนตัวชาดิกรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นวูบไปที่เท้า แต่ฝืนหัวเราะเบาๆสั่นสีสักไม่หรอกคุณยังแฟงเวงกับผมไม่ได้หรอกคริสเพราะเรายังต้องพบกันอีกแน่นอนคำที่คุณควรพูดก็คือ goodbye goodbye seal l e t e r หรือมิฉะนั้นก็ till we meet again กล่าวจบเขาก็ถอยหลังชิดเท้าตรงยกมือขึ้นแตะปีกหมวกทำความเคารพแบบวันทยาหัต แล้วหมุนตัวกลับไตโคถินเดี ย, ดยตามหลังพวกที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วทันทีเจิบสชุดที่แยกไตขึ้นหน้าผาไตาคืบหน้ากันขึ้นไปแล้วโดยมีพรานใหญ่ไตา ต, าตามหลังเป็นคนล่าสุดโดยใช้ทิศทางของแนวผาชันชิดกับตำแหน่งปากทางช่องเขามากที่สุดสแตลลีย์นำขึ้นไปก่อน โดยติดหลังแยกกันออกไปคนละมุมแต่ไม่ห่างกันเกินไปนักจากอิสเบลและคิดมองดูในขณะนี้เป็นรูปจุดเพราะฉะนั้นจากหัวแถวนำและอีกสองคนที่ขนาดเป็นฐานในแนวที่ต่ำลงมาระพินนั้นภายหลังจากผละแยกกลุ่มข้างล่างเขาได้รับวิทยุสำรองจากหัวหน้าคณะอีกเครื่องหนึง่งประจำตัว ไต่สะกดไล่หลังไปทางด้านอิสเบลร์ซึ่งมองเห็นว่าหล่อนคล่องตัวน้อยกว่าอีกสองชายทั้งสี่กลุ่มค่อยๆปีนป่ายเหนียวดึงกายสูงขึ้นไปตามช่อชันของกลุ่มหินงอกเหล่านั้นอย่างเงียบกริบโดยหาลู่ทางที่จะนำตัวขึ้นไปได้อย่างสะดวกที่สุดเลาะลัดหลีกเลี่ยงบริเวณที่ไม่สามารถจะโหนนำตัวขึ้นได้โดยเลือกเอาหนทางที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปนกะ ติดต่อส่งความขณะนี้ใช้สัญญาณมือซึ่งระพินจะโบกเตือนให้สามคนที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนและเลียวกลับมาดูเขาทางด้านล่างโดยชีย้กำหนดเส้นทางให้ว่าควรจะปีนป่ายโหนกายขึ้นไปทางช่องใดเบื้องล่างปากทางช่องเขาเฉิดบุตรคริสตินาบุญคำและจันอีกสี่คนอันเป็นฝ่ายที่จะเดินล่อเข้าไปในช่องทางบีบขนาบ ตามที่นัดแนะกันไว้แล้วบัดนี้ยังยืนจับกลุ่มกันอยู่ที่เดิมแง้มมองดูคนทั้งสี่ที่กำลังไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับเหล่านั้นเพื่อรอเวลานัดตาแหน่งก้อนหินสีดําสนิทแพกไปกว่าก้อนหินทุกก้อนอันงอกพราวระเกะระกะอยู่บนหน้าผาซึ่งระพินชี้บอกไว้นั้นจะเป็นระยะครึ่งทางก่อนที่จะขึ้นไปสู่เป้าหมายสาคัญอันเป็นหินมฮือมา ขอดกิวหน้าหวาดเสียวก้อนนั้นทั้งเชิดบุตรและคริสติน่าเข้าใจคำสั่งของรพินดีว่าเหตุใดเขาจึงกำหนดให้พวกเขาขึ้นไปถึงตำแหน่งกลางนั้นเสียก่อนเนื่องจากการปีนป่ายเต็ไมไปด้วยความลำบากยากเย็นยิ่งและจะเสียเวลาช้ากว่าการที่ฝ่ายเดินล่อจะเดินเข้าไปในเส้นทางมอรณะหากให้ฝ่ายเดินล่อล่วงหน้าเข้าไปก่อน หรือเริ่มต้นพร้อมกันระหว่างฝ่ายหนึ่งปีนหน้าผาขึ้นไปคุมเชิงหรือรเผชิญหน้ากับอันตรายเบื้องบนกับอีกฝ่ายหนึ่งเดินอยู่เบื้องล่างฝ่ายที่เดินก็ย่อมจะเข้าถึงจุดอันตรายก่อนที่ฝ่ายบนจะช่วยคุมสถานการณ์ได้ทันเพราะยังอยู่ในระยะเตี้ยเกินกว่าที่จะเห็นทัศนียภาพอันควรแก่การสงสัยว่ามีอะไรแอบกำบังอยู่ตรงหินคอดกิ่วนั้นได้ เชิดบุตรละสายตาจากพวกที่กำลังตายขึ้นไปด้านบนเหลือไปทางคริสติน่าซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเขาเห็นหลอนเปิดกระติกน้ำออกมาช้าๆยกขึ้นกรอกใส่ปากจิบพอสายตาสบกับเขาหลอนก็ยื่นกระติกนั้นมาให้ครั้งแรกเชิดบุตรจะสั่นหน้าปฏิเสธแต่แล้วก็เอื้อมมือไปรับก็ดีเหมือนกันมันอาจจะเป็นจิบสุดท้ายของเราทั้งสองคน ที่ดื่มน้ำจากกระติกเดียวกันเขาบอกยิ้มยิ้มแล้วกรอกน้ำใส่ปากอึกหนึ่งตาจับอยู่ที่ใบหน้างามเยือกเย็นเคร่งขรึมนั้นนี่คริติน่าไม่พูดอะไรเมื่อเขาส่งคืนให้หล่อนก็ปิดฝาหย่อนลงไปในเป้หลังยกมือทั้งสองเท้าเอวเงันมองขึ้นไปอีกครั้งตะวันยังไม่สิ้นแสงแต่ก็ราไรลงเต็มทีแล้ว คริสเ <Chris. S 2> ชิดปุดกระซิบเรียกอีกครั้งเมื่อเห็นหลอนยังนิ่งเฉยชนิดอ่านอะไรไม่ออกเลยจากท่าหน้าท่าทีอันแลดูสงบนั้นอืมพี่คุณนึกยังไงถึงได้ตัดสินใจเลือกเป็นฝ่ายเดินล่อเข้าไปในช่องนี่อ่ะก็ฉันจับได้ไมมสั้นไม่ใช่เหรอหลอนตอบโดยยังไม่เปลี่ยนสายตาไปจากการจับมองพวกที่กำลังไต่เลาะลัด ขึ้นไปด้านบนซึ่งบัตรนี้ระพินไล่ขึ้นไปจนทันเบลแล้วก็นั่นนะมันทีหลังแต่คุณแสดงความจำานงสมัครก่อนนี่บางทีมันอาจจะเป็นเพราะฉันขี้เกียจจะไต่ขึ้นไปบนหน้าผามันมินเมย์ยากลำบากนั่นก็ได้เลอกเดินข้างล่างสะดวกสบายกว่ามากนะนี่คุณคุณตอบผมไม่ตรงกับความรู้สึกภายในแท้จริง คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าการเดินล่อเข้าไปในเส้นทางนี้น่ะมันเสี่ยงต่อการถูกขิงบททับหรือวิเชนั้นก็ฝังทั้งเป็นมากกว่าการไต่ขึ้นไปบนหน้าผานั่นชนิดครึ่งต่อครึ่งอะไรเป็นข้อสงสัยของคุณอ่ะมันก็ไอเสียงเพอาะเพราะกันแหละบูธเสียงของคริสติน่าปกติราบเรียบอยู่เช่นนั้นคุณเป็นคนลึกลับที่สุดนะคริสเหรอนี่รู้ไหม ขณะที่มีการจับไม้เสียงทายกันว่าใครจะแยกไปทางไหนนะผมภาวนาไว้ยังไงไม่รู้ผมก็ขอให้ตัวผมเองคุณแล้วก็เบร์จับได้ไม้ยาวซึ่งเป็นสามคนที่จะไต่ขึ้นไปกระพินส่วนด็อเตอร์สแตนลีย์กับคิดผมภาวนาให้เดินล่อเข้าไปในช่องทางนี้กับพวกบุญคำแต่มันตละปัดสิ้นดีผมกับคุณสองคน จาจับได้ไหมซัน